การพ น, นาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเรื่องการทำอานาปนาสติตามแนวของพระเจองค์กับการผสมกับลมปานในการกำหนดลมหายใจครับลงตาอานาปนาสติคือรู้ลมหายใจเขาออกมีสติมีสติระลึกรู้ลมหายใจเขาออกอย่างต่อนเนื่องไม่ขาดสายตอนนี้เมื่อจิตใจมันสงบแล้วเนี่ย โดยอำนาจอานาจปัญาสติที่ที่มันมีสติระลึกรู้อยู่ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงกันต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยจิ ต, ตใจมันก็จะค่อยค่อยสงบระงับเพราะ อ, อานาจแห่งสติอํานาจแห่งสติที่มีความรู้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายสติไม่ขาดว่าขาดตอนจิ ต, ตใจมันสงบพอจิตใจสงบแล้วเนี่ยจิตมันก็จะไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเข้าออกไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหายใจเข้าออก เพราะว่ามันไม่ฟุ้งร่านไปไหนอ่ะก็เลยไม่รู้แต่ลมหายใจก็ออกจิตกับลมหายใจก็ออกก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเพราะว่ามันไม่ไม่ฟุ้งร่านไปไหนเมื่อจิตเป็นเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยกับลมหายใจก็ออกเมื่อเราเนี่ยกําหนดจิตขึ้นมาว่าให้ลมหายใจเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปยังไงมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามอํานาจจิตที่ที่เราก็ที่เรากําหนด ตอนนี้เราก็พอจิตมันหายปุงซ่านแล้วเราก็กำหนดขึ้นมาให้คือปุงแต่งอะปลาณพลังลมปราณต้องปุงแต่งแล้วกหหว็หายใจให้ยาวหายใจให้ยาวคือหายใจออกซะก่อนนะกอลูกตานี่คือฝึกหายใจออกท้องแฝบ คือเชื่อมือดันท้องเนี่ยเชื่อมือดันตรงท้องตรงท้องบริเวณท้องน้อยเนี่ยให้มันแฟบก็เกิดจากการนอนะนอนนอนจะแฟบแต่เยอะนอนให้มันแฟบไปจนตั้งแต่แล้วก็ปล่อยลมออกทางจมูกปากให้หมดเลยปล่อยลมออกทางจมูกปากให้หมดแล้วก็เมื่อท้องมันแฟบหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยลมออกจมูกปากพร้อมกับกดท้องให้มันแฟบให้หมดที่สุดเลย แล้วก็เวลาหายใจเข้าเนี่ยท้องมันจะพองเองท้องมันจะพองตรงเนี้ยแต่เราก็ฝึกฝึกขัดตรงนี้ชํานานก่อนคือหายใจออกท้องแฝ บ, บไปมาแฟบบไปแล้วก็หายใจเข้าท้องมันก็จะท้องพองขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าหายใจออกมันท้องแฟ บ, บมาแล้วก็หายใจเข้าท้องพองพอเราทําได้แบเนี้ยจนจานาน อายใจออกท้องแฝดหายใจเข้าท้องพองแล้วก็เมื่อจิตมันไม่บวกกับจิตที่ไม่รุ้งซ่านแล้วเพราะจิตมันเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเขาออกแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วเดี๋ยวอำนาจแห่งสติที่ควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไปไหนให้จิตมันอยู่กับลมหายใจก็ออกแล้วเราก็เอาจิตกับลมหายใจก็ออกเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวไว้ที่ลมหายใจออกท้องแฝดหายใจเข้าท้องพองแล้วก็กลับไปตอนนี้พอตอนที่ ลมหายใจมันเข้าท้องท้องพองแล้วก็กักกักลมไว้กักลมไว้ไตรงท้องน้อยเนี่ยอย่าปล่อยให้มันออกจนกว่ามันจะกันก้นกั้นไม่อยู่แล้วจนกว่ากั้นไม่อยู่ก็ผ่อนออกมาผ่ออกม า, ลมาแล้วก็ฝึกนั้นให้จนานาเองแล้วก็เข้าไปกักไว้ตรงท้องน้อยเนี่ยกักไว้จนกระทั่งมันมันกั้นไม่อยู่แล้วกั้นไม่อยู่แล้วก็ปล่อยพ่อนออกมา แล้วก็ทำหนึ่งอย่างฝึกหาดใจํานาตัวทั้งเรากัดลมจนานามมากเลยกัดไว้ตรงท้องน้อยกัดไว้จนเป่งเลยแล้วก็เวลาพูดลมก็ไม่ออกเวลาเราพูดออกปากเนี่ยลมก็ไม่ออกเราเช็ ก, กระบังลมช่วยเช็ ก, กระบังลมช่วยทําให้ท้องเนี่ยมันไม่แฟบลงมาเวลาเราพูดท้องก็เลยป่องอยู่ได้กัดลมไว้ได้มันก็เลยไม่ไม่ไมแฟบไปเช็ ก, กระบังลมต้องฝึกนะ นีเสร็จแล้วเราก็ทําความรู้สึกเคลื่อนลมไปใช้ใช้ความรู้สึกช่วยแต่ก่อนที่จะเคลื่อนลมเนี่ยเราต้องลองดูก่อนลองกักลมเราคือออกกักลมไว้ในท้องให้ท้องมันหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟงหมดแล้วหายใจเข้าต้องพองแต่เคล็ดลับมันอยู่คือต้องหายใจออกทิ้งให้หมดก่อนนะท่านบอกว่าเปรียบเหมือนกับว่าน้ําในแก้วเราเนี่ยมันสกปรก หรือเราจะต้องเอาทิ้งของที่เทสองสกรปรกทิ้งก่อนเราถึงจะเติมน้ําสะอาดเข้าไปคือก่อนที่เราจะเอาออกซิเจนเข้าไปเต็มเต็มเนี่ยเราต้องเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกให้หมดเลยเอาของเสียออกให้หมดแล้วก็จะเติมของสะอาดเข้าไปดังนั้นเวลาเวลาหายใจยาวเขาจึงช่วยกดท้องให้มันแฟบซะก่อนแล้วหายใจใหายใจเข้าท้องๆทีททนี้พอเรากัดลมวัดิกัดลมว้ที่ท้องได้แล้วเนี่ยเราก็หน้าไปจุ่มน้ํา เพื่ออะไรเพื่อว่าเช็คตรวจสอบดูว่ามันมีลมรั่วไหมเรากักอยู่จริงไหมถ้าลมมันรั่วออกบุ้บุ้งบบุ้บุ้ บ, บ, บุแสดงว่าใช้ไม่ได้ลมมันรั่วกักไว้ไม่อยู่เรียกว่าพลังลมปานมันรั่วหมดล้วก็ต้องฝึกเจก้กระดังเนี่ยเราหายใจแล้วก็หายใจออกท้องแป่หายใจเข้าออท้องพองเสร็จแล้วเราก็สงบนิ่งอยู่ในกั้นเน่ยแล้วก็ เอาหน้าไปจุมน้ำดูถ้ามันไม่มีลมไม่มีลมออกมันบุ้งบุ้งเลยใช้ได้แหละไอ้เี่ใช้ได้จะแสดงว่าใช้ได้หละเรียกว่าจิตมีกำลังมีอำนาจแหะมีอานาจจิตทั้งไม่ฟุ้งซ่านด้วยแล้วก็สติก็อยู่ที่นั่นเพราะว่าสติก็ควบคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจก็ออกไม่ฟุ้งซ่านสมาธิก็อยู่กับลมหายใจก็ออก ปัญญามันก็จะเห็นชัดว่าเ อ, อจิตมันไม่ฟุ้สร้างไปไหนมันอยู่กับจิตใจมันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แหละก็มุกสติสมัติปัญญาก็อยู่ในนั้นแหละเราก็ได้พลังลมปานด้วยคือลมหายใจเข้าออกแทนที่จะอายใจทิ้งไปเฉยอแทนที่หายใจทิ้งไปเฉยก็มากักเอาไว้มากักไว้ที่ของน้อยเสรแล้วตอนนี้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าไหนร่เช่นเราไปเอ็กซเรย์ หมอบอกว่าเป็นมะเร็งตรงนั้นมะเร็งตรงนี้หรือว่ากระดูกแตกหักตรงนั้นตรงนี้หรือว่าติดลูกตารักษาตัวเองคือจะประสบการณ์เลยคือหมอนรองกระดูกหรือแคลเซียมเก่อกระดูกทับเส้นประสาทตรงบริเวณบริเวณเอวเนี่ยเวลาบริเวณบริเวณเหนือเอวเนี่ยแล้วปวดมากเลยทรมานมากเลยไอหมอนรองกระดูกหรือแคลเซียมเกาะกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย มันปวดมากเลยปวดล้าวลงขาหนีบเนี่ยทั้งด้านนอกด้านในปวดล้าวลงขาแล้วก็ปวดบริเวณเอวขึ้นหลังขึ้นได้ทอยเนี่ยปวดทรมานมากมันปวดทรมานมากเลยเดินไม่ก็ได้เลยจึงรู้ว่าคนนี่เป็นอนี่แคลเซียมต่อกร ะ, ะดูกหรือว่าหมอนรองกระดูกมันแลบปิ้นออกมาทับซิมากดทับเส้นประสาทเนี่ยโอ้โหมันปวดทรมานมากจริงเพราะว่ามันจี้เส้นประสาทไปคิดดูสิ มันไม่คลายจากกักรเลยมันปวดขนาดไหนอ่ะแล้วก็เอาลมไปกักไว้แล้วก็จี้กําหนดโดยเช็คความรู้สึกนะเคลื่อนลมเนี่ยเคลื่อนลมที่เรากักไว้ได้แล้วมันไม่รั่วล้วเนี่ยเราหน้าไปจุ่มน้ําแล้วลมมันไม่รั่วนะไม่มีฟองอากาศออกเลยแล้วก็เอาลมเนี่ยกําหนดเคลื่อนไปจี้ตรงที่ไอหมอลองก็ดูทับเส้นประสาทตรงบริเวณข้อไหนอะที่ก็เอ็กซเรย์มา บริเวณข้อไหนพวกหมอเขาจะไม่ผ่าถ้ามันใกล้เส้นประสาทมากเขาเขาไม่ผ่าแล้วโอกาสเสี่ยงเป็นอัพมพาตอัมพาตโอกาสผ่ามนแล้วเสียหายเยอะคนเดินไม่ได้เยอะทอีนี้พอบเราไปจี้อยู่อารมณ์เนี่ยไปจี้อยู่ตรงที่หมอรองกระดูกทับเ ส, ส้นประสาทบริเวณข้อตรงไหนตรงตะหลังเราก็กำหนดเงี้ยตัวนี้พร้อมก็เพ่งเนี่ยเราเราอัด อัดลมไปแล้วตรงท้องเนี่ยพ้อมันก็เป่งพองมันเป่งปนแน่นเย็ดเลยแล้วเราก็ลมก็อัดพอดีท้องมันเป่งด้วยแล้วลมก็อัดข้างหน้าอัดข้างหลังข้างหลังเนี่ยอัดไปที่กระดูกสันหลังตรงที่เวใ น, นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททั้งจิตก็เป็นสมาสธิคือสติควบคุมจิตไม่ฟุ้งซ่านไปไหนเลยจิตมันก็อยู่กับตรงนั้นเลยอ่ะบริเวณลมที่ไปจี้ตรงที่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสมาธิเม่ออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ ลมที่ไปอัดอยู่ตรงหมอนรองกระดูกครับเป็นประสาทปัญญามันก็จับอยู่ตรงนั้นไม่ไม่ไม่ให้มีสิ่งใดเคลื่อนเคลื่อนออกจากกันทั้งลมก็ไม่รัว่วเอาหน้าจุ่มน้ําแล้วลมก็ไม่รัวร่วอํานาจมันได้รวมเป็นหนึ่งตรงนั้นเน่ะอานาจเป็นรวมเป็นหนึ่งเราก็อธิษฐานจิตว่าระลึกถึงพุะทุคุณธรรมคุณภาษาคุณเนี่ยพระบิดามารดาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุญบารมีที่เราทำแล้วทั้งหมดเนี่ย จงจำได้จำไว้นะเวลาจาริกฐานเลยแล้วก็ต้องระลึกถึงพระพุตรคุณธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็พระคุณบิดามารดาและพระคุณของพระแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็บุญบารมีที่เราทําไปทั้งหมดระลึกถึงพระบุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณพระคุณบิดามารดาพระคุณของพระแม่ครูบาอาจารย์ห้าและและของเราด้วยหกคือบุญบารมีต้องอย่าลืมบุญบารมีที่เราทำมาแล้วด้วยนะทานศีลภาวนาที่เราทํามาแล้วหลายชาติต่างประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านเราก็ทํามาเยอะแล้วเนี่ยเราก็เอามารวมกันต้องรวมเงนทุกครั้งนะ แล้วเราก็ทิฏฐานแล้วเราก็ต้องจิตใจเราก็ได้อานาคตศรัทธาศรัทธาแน่วแน่มั่นคงแล้วก็สั่งแล้วว่ามึงจงแยกก่อจักรการเดี๋ยวนี้ไออะไรก็ตามที่ไปกดทับเส้นประสาททาให้ปวดหลังเนี่ยให้เราเนี่ยปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดเลยเนี่ยมันลาวขึ้นหลังขึ้ น, ข, นขึ้นหัวเนี่ยจงแยกก่อจักการเดี๋ยวนี้คุณจงแยกจากกันเดี๋ยวนี้แยกก่อจักรการเดี๋ยวนี้พูดเลยสั่งเลยแบบว่าใช้อํานาจจิตก็ไปสั่งวงกัรเลย จะเอาจิตเนี่ยไปบงการกายหอมหน้าจิตไปบังคับกายให้มันเคลื่อนออกจากกันดูนี้อะไรก็ตามเราก็ไม่รู้ ม, มันคืออะไรไม่รู้มันเป็นแคลเซียมกกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าหมอรองกระดูกฟินไปทับเส้นประสาทก็ไม่รู้เราก็บอกเลยแคลเซียมกระดูกทับเส้นประสาทหรือกระดูกหรือว่าหมอนรองกระดูกที่ไปทับเส้นประสาทที่เป็นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยปวดหลังปวดขาปวดเอวปวดขึ้นเทถอยเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยจงแยกออกจากกันดูนี้แยกออกจากที่ไปกดทับเส้นประสาทดูนี้ ที่ทําให้สาเหตุที่ทําให้เราปวดหลังปวดขาปวดเอปวปวดขึ้นสมองเนี่ยให้ัรรหายขาดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แยกเดี๋ยวนี้แยกจากกันเดี๋ยวนี้มันก็เสียง ม, มันดังคลื่นคลื่นคลื่มันเคลื่อนจริงๆริงเสียง ม, มันดังลั่นเลยสามครั้งหายเลยตั้งแต่นั้นแหละหายขาดเลยมันมันมีประโยชน์แล้วเวลาถ้าสมมติเป็นมะเร็งที่ตรงไหนเนี่ย เราก็กําหนดเอาไปแล้วไปจี้ใส่ตรงนั้นเอาไปจี้ใส่ตรงที่มันเป็นเซมเบลิงแล้วเราก็กํากับด้วยอำนาจจิตที่เราฝึกมาดีแล้วที่สติเอาสติควบคุมจิตให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเขาออกแล้วไปแล้วก็มีสมาธิอยู่ตรงตรงที่ลมหายใจเขาออกที่เรากลับไว้แล้วก็ปัญญาก็เราก็ตำรวจตรวจสอบว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านไปไหนมันรวมเป็นหนึ่งเดียวตรงนั้นสติสมาธิปัญญาจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ลมหายใจก็ไม่รั่ว เคลื่อนไปจี้ตรงที่เป็นมะเร็งที่หมอเขาตรวจว่าเราเป็นมะเร็งตรงไหนแต่เป็นมะเร็งเนี่ยต่อตีลงตาสังเกตคือมีคนเคยเป็นมะเร็งที่ที่บริเวณโซอกเนี่ยเขาเป็นติ่งเป็นติ่งเข้าแก้เป็นติ่งแค่เหมือนกับออกมาเป็นสิวเป็นโ ต, ตหน่อยเดียวนะั่นะนะแต่เอาอ้อมนัำพลังจิตพลังธรรมชาติเนี่ยจี้ใส่เข้าไปโอ้มันร้อนนะ เสียงก็บอกว่ามันร้อนร้อนร้อนอนมากเลยมันร้อนความร้อนเหมือนไฟอ่ะความร้อนเหมือนไฟมันวิ่งไปถึงท้องน้อยนั่นแล้วมันโผล่มันขึ้นมาเนี่ยตามพัวไหลกระจายไปทั่วเลยอ่ะอุ้ยเราตกใจเลยว่าโอ้โหนี่แสดงว่าไอ้ที่มันมันเป็นติ่งออกมานอกตัวเราเนี่ยแค่ติ่งนิดเดียวเนี่ยนะแต่ข้างล่างเนี่ยมันเหมือนหลักใส่ที่มันโอ้โหซักไปหมดเลยเหมือนในหลากอะไรนะเขาเรียก รากต้นไม้อะไรที่มันรากเยอะๆที่มันมันมันมันสานกันซะจนนายเขาเรียกอะไรนะยักขารากยักขามันสานกันจนแน่นเลยอ่ะโอ้โหมันมันแค่ติ่งเนื้อออกมาเนี่ยแต่รากของเซนมะเร็งเนี่ยมันกินไปทั่วแล้วมันกินไปถึงนู่นเน่ยท้องน้อยนู่นเนี่ยเลยจะดือไปนู่นเนี่ยแล้วข้างบนนี่ก็มันกินมาถึงหงวไหลออกมาถึงคออะไรเนี่ยโอ้มันเป็นแค่ทรงอกเม็ดเดียวติ่งเม็ดเดียวแต่มันกินไปทั่วแล้วเขาถึงบอกว่าเวลาไปหาหมอจึงบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายได้ง่ายๆเพราะว่า อกว่าจะรู้ว่ามันเป็นมะเร็งออืนี่แค่เป็นติ่งนิดเดียวมันยังลามไปทั่วแล้วเราจึงรู้ว่าโอ้โมะเร็งนี่มันน่ากลัวแรงมากถ้าอย่างเงี้ยเราจะไปจี้เผาแค่ไปตรงที่มันเป็นปติ่งไม่ได้เราจะไปจี้เผาบริเวณที่มันเป็นปติ่งไม่ได้เราต้องอธิษฐานออธิษฐานให้มันให้ธาตทุกธาตขันทุกขันสารพลังงานกล่องว่างเนี่ยเซนทุกเซนเนี่ยตอมตุกตอมเน้อยเยื่อทุกเนื้อย่อเล หรือว่าธาตทุกธาตขันธ์ุกขันธ์ตัวสาพลังงานและความว่างก็ได้เซนทุกเซนรวมด้วยให้มันขับคืนสู่ความสมดุลเป็นปกติตามธรรมชาติกับคื่นสู่ความเป็นปกติตามชาติสมดุลตามธรรมชาติโดยอัโตโนมัติตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วเราก็กําหนดด้วยอำนาจศรัทธานะด้วยอำนาจศรัทธาศรัทธาความเพียรที่เราเราฝึกฝนมาเนี่ยแล้วก็สติด้วยอำนาจสติสมาธิปัญญาที่รวมแน่วแน่รวมเป็นหนึ่ง ก็เรียกว่าพละหา้พะหาพละพลังพลังอันยิ่งใหญ่พละหา้าอินทรีหา้าแนวต้นที่เจ้าตัดเองขึ้นต้นด้วยศรัทธาก่อนนะศรัทธาแล้วก็มีความเพียรทําให้ได้อย่างที่ศรัทธาคือด้วยอานาจสติสมาธิปัญญาควบคุมจิตให้รวมเป็นหนึ่งกับลมหายใจเข้าออกคืออานาปานสติอะเมื่อจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอนาปานสติมันไม่ฟุง้งซ่านแล้วเราก็กัดลมหายใจไว้บริเวณท้องน้อยกักไว้จนแน่นเลยแล้วก็ หายใจออกให้มันท้องแฟงสะก่อนแล้วก็หายใจเข้าให้มันท้องพองอาจจะออกให้ท้องแฟงแล้วก็หายใจเข้าให้มันท้องพองเนี่ยเมื่อจิตแล้วรวมเป็นหนึ่งแล้วสติสมาธิปัญญาสติเนี่ยมันควบคุมจิตมาให้ฟุ้งซ่านเปนไหนมันอยู่กับลมหายใจก็ออกแล้วเนี่ยพอจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราก็ฝึกผลอย่างเงี้ยหายใจออกท้องแฝงโดยเอามือช่วยดันท้องน้อยถ้ามันแฝงพอไปติด ติดเหมือนกับติดผนังครับติดผนังข้างหลังเลยแล้วก็หายใจออกจะหมูกป่าให้หมดเลยเกลี้ยงเลยแล้วก็หายใจเข้าท้อมจะพองเองคือเทคนิคก็คือว่าต้องหายใจออกเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียออกให้หมดเกลี้ยงก่อนแล้วหายใจเนี่ยออกซิเจนมันจะเข้าบริบูรณ์จะเข้าเต็มที่เองต้องหายใจออกก่อนนะเนี่ยแล้วเราก็ฝึด ก, กักไว้กักไว้แล้วก็เคลื่อนอ่าพอกั ก, ไไกกักไว้ได้พอกักไว้ได้ก็ฝึกเคลื่อนเคลื่อนไปใน ไปไปอย่างไรก็ได้ตามที่เราปรารถนาเพราะเราเราฝึกไปแล้วเนี่ยเราก็ด้วยอํานาจจิตของเราเราก็เคลื่อนลมในใจให้มันเนี่ยออกไปได้ดังใจปรารถนาว่าให้มันเคลื่อนไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ได้เนี่ยตันนี้วเวลาฝึกบางทีเนี่ยเราก็ลองดูที่ว่าเราสามารถทําได้ไหมเราก็กระจายลมแทนที่จะให้มันออกจมูกให้ลมออกจมูกเราก็ไม่ให้ออกจมูกให้มันออกทางลูคุ้มขนเนี่ย ทุกรูคุมขนสูงสุดก็คือศีรษะเราให้มันออกทางรูรูรูคุมขนะที่ที่รูผมเนี่ยแล้วก็ทั่วตัวเลยทุกผิวหนังไปจนถึงปลายเท้าแล้วก็ปลายมือไปทั่วตัวให้ให้กําหนดให้ลมเนี่ยแทนที่จะออกจมูกอะให้มันซึมออกทางทุกรูคุ้มขนของหลางกายด้วยอนาจจิตของเราเนี่ยเราก็กักมันไว้แล้วก็ปล่อยมันออกค่อยๆป่อมันออกออกให้มันรั่วออกไปให้มันรั่วออไปซึมออกไปทางทุกรูคุ้มขน แล้วก็ค่อยๆพวกอย่างนี้ยแล้วก็โอ้มันจะเซนมันจะเปล่งปั่งมากเนี่ยเซนของร่างกายจะเปล่งปลั่งมากเพราะว่ามันถ้าอย่างนี้มันไปทุกเซนของร่างกายนะแล้วก็อธิษฐานให้ให้ธ า, ท, ท, า, าทุกขาตุขันทุกขันหรือว่าสาสารคือร่างกายพลังงานคือเวทนาสัญญาตั้งขารวิญญาณพลังงานแล้วก็ความว่างคือจิตเดิมแท้หรือวิญญาณแท้ๆไปความว่างจง เป็นปกติธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาหรือสมดุลเป็นปกติตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาอธิษฐานมันสมดุลโดยอัตโนมัติตั้งอัตโนมัติตลอดเวลาแ ล, ล้วก็เส้นในร่างกายก็จะเปลงปั่งนะร่างกายเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนี่มันรวมทุกโรคเลยไม่ใช่ว่ า, าเฉพาะไอเส้นกระดูกสันหลังครับเส้นประสาทหรือเป็นมะเร็งนี่คือรวมรวมทุกอย่างทุกชนิดถ้าไม่ถูกม่คือไม่ถึงข่าวสิ้นอายุไขหรือไม่ไม่มีบาปกำหนักที่เรามาตัดรอน ควาบกำหนักเนี่ยก็คือเกิดยากส่วนใหญ่ก็เกิดจากเราไปฆ่าเข้ามาในภพชาติก่อนนู้นหรือว่าฆ่าเข้ามาในภพชาติปัจจุบันได้ความทรมานปวดร้ายแต่ถ้าถ้าเราฆ่าเข้ามาเป็นอาหารเนี่ยแต่ถ้าตัวสงตัวเนี่ยมันก็ยังพอได้ถ้ามากๆก็เอาเรื่องเงินเห็นคนที่ชอบทุบหัวปลาเนี่ยล้าสุดล้มลงไปแล้วก็สมองเละเทะหมดพังอะไรก็ไม่ดีขึ้นแย่เลยเนี่ยพวก อย่างเนี้ยคือถ้าถ้าพาเราไปฆ่าเขาม า, มากมันก็ไอ้ไอ้นี่ก็บาปกรรมหนักมาตัดรอนก็ยากเหมือนกันยากที่จะรักษาหายแต่ถ้าบาปกรรมมันไ ม, ไม่ไม่หนักไม่หนักมากเราไม่ได้ทำมามากเราก็แล้วก็อุทิศตัวอุทิศในเขาสาที่เราปฏิบัติดีแล้วเนี่ยจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิแล้ ว, ลวจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยเราก็อุทิศตัวอุทิศในเขาซะมันก็เป็นบุญหลายแล้วเนี่ยเราก็อุทิศนุทิศเขาก็จะถ้าไม่เเป็นบาปกรรมหนักนะมันก็จะ ค่อยหมดไปหมดไปแต่ถ้าเป็นบาปกรรมหนักก็จะอาจจะผ่อนได้ก็อาจจะอาจจะค่อยๆผ่อนผ่อนคือเราผ่อนใช้นี่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันก็นกนอาจจะใจอ่อนบ้างแต่บางรายก็เอาถึตายเหมือนกันพระยาสงฆ์นี่ที่ตายก็เพราะว่าพอบาปกรรมหนักมา ต, ตีตีทะลวงได้แล้วเหมือนกับว่าอาที่หลวงปู่องค์หนึ่งอ่ะที่เซนพระยาสงฆ์ที่ที่เชียงใหม่ที่ท่านจะไปเข้าโรงพยาบาลท่านก็บอกว่าเอา่อเจ้ากรรมในเวรตัวใหญ่อ่ะ มันเข้ามาเปิดประตูเมืองตีเมืองแตกแล้วแล้วมันเปิดประตูเมืองรับเจ้ากรรมในเวนยักษอื่นมันเข้ามาหมดเลยเข้าเมืองขมาหมดแล้วบันนี้เข้าเมืองมาหมดแล้วแต่ไปคราวนี้ก็ผงไม่ได้กลับมาแล้วก็ไปตายแต่ถ้าไม่ถูกบาปกรรมหนักมาตัดรอนไม่ขาดถึงกับมที่ยิ่ยูข่ายรักษาได้รักษาตัวเองได้รักษาคนอื่นก็ได้รักษาตัวเองก็ได้รักษาคนอื่นยกงได้เลยถ้าเรามีอานาจในกาลังพลังจิตอย่างนี้แล้วก็ความจริงมันใช้ประโยชน์อจากอื่นเยอะนะ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้สารพัดพอเราใช้อย่างนี้เป็นแล้วเนี่ยประโยชน์จากอื่นเนี่ยด้วยอำนาจที่เรามีความศรัทธาในพุทธานุภาพเวนะธรรมานุภาพเวนะสังฆานุภาพเวนะเนี่ยพุทธคุณธรรมคุณประสั ง, งคุณประคุณบิดามารดาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุญบารมีที่เราทํามาแล้วเนี่ยเราต้องมีศรัทธาเนีเป็นตัวหลักนะคือพละงห้าอินทรีย์ห้าเนี่ยพลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยเราจะต้องศรัทธา ก, ก่อนพอศรัทธาแล้วเราเราเนี่ยสามารถ จิตเราไม่พุ้งซ่านแล้วบวกกับพลังลมปาณเนี่ยเราไปนิสฐานคุ้มครองได้นะคุ้มครองตัวเราเนี่ยคุ้มครองได้ทั้งหมดนะคนที่ไปในรถกับเราไปในเรือไปในรถในเรือนี่สามารถเดินตามหลังเราไปไปทุดงไปอะไรเนี่ยเอธิษฐานคุ้มครองได้หมดเลยทุกคนไม่ใช่ว่าคุ้มครองเฉาตัวเราอธิษฐานคุ้มครองได้หมดถ้าเขาไม่ไม่ถูกวิบากกรรมหนักประสาทหลอดใช้ประโยชน์ได้เยอะอันเนี้ย ถ้าเราฝึกฝนไว้เราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วเตรียมหนาจิตอย่างนี้มันก็จะดีเราสามารถใช้ได้นะแนบทที่หลวงตาให้ไว้นีนสือเล่มเหลืองเนี่ยพุทโธปะรหัพุทังรักษาธัมโมาลังทํามรักษาตังโเพลัรักษาพลังาทุกโศกโรคภัยเสนียดใจใดๆมีมาอนัตตาสุปานสุโมสุุสธาุยะสุนตุนานด้วยนโมพุทธายะยาพุทโมนสาวาจิโตปัจฉามิเนี่ยปัเอาไปใช้หลวงตาใช้ มานานมากแล้วเนี่ยใช้มาในหลายปีแล้วใช้ครอบครอบจักรวาลเลยแล้วก็แล้วก็อธิษฐานตามมนต์ของพระเจ้าสั้นๆในหนึ่งหนึ่งคาบหนึ่งไม่ใจแล้วก็วกมมอธิษฐานก็ใช้ได้หมดนะรักษาตัวเองก็ได้รักษาคนอื่นก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เดินทางไปไหนมาไหนก็เกี่ยวขาดปอดภยัยยกเว้นแต่ถึงแก่ข่าวที่อายุไขหรือหรือบาปกรรมหนักมาตัดร้อนพวกมะเร็งอะไรก็ที่ก็หายกันมาเยอะๆนะหรือเอามารวมอธิษฐานรวม เรามันยาไปบ้ากเยอะเราก็อธิษฐานรวมไว้ในพุทโธเอาไว้ที่จิตของเรารวมลงที่จิตของเราคือพุทโธพุทโธไว้ในใจแล้วทุกอย่างที่เอาส่วนผสมหมดเนี่ยเอาอธิจานรวมลงที่พุทโธก็ได้แล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทีเดียวแล้วก็ใช้ได้นะพวกเนี้ยมาใช้ได้ต่างลมปางแล้วนี้ก็เป็นเก็บอันเนี้ยคือ ลูกศิษย์ลงตาคนหนึ่งเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนไทเก๊กแล้วก็บอกว่าที่ลงตาทำเนี่ยมันผิดมันผิดคือหายใจออกท้องแฟบบหายใจเข้าท้องพองเนี่ยมันผิดมันผิดวิชาของพลังลมปาลของของบุตึงึงของของวัดเซารหลินมันผิดไม่ถูกเราบอกเออเราได้ตำรานี้มา มันเก่าแก่มากแล้วเพราะศูนย์การถ่ายทอดเป็นพันพันตีเขาสอนอย่างนี้่ำบอกเขาบอกว่าผิดอาจารย์หายใจออกมันต้องท้องคองหายใจเข้ามันต้องท้องแฟบฝดเอาจริงๆอาจารย์ต้องเนี่ยแล้วเขาก็ทําให้ดูเขาหายใจออกมันท้องคองหายใจเข้าท้องแฟบแล้วว่าเ อ, เ อ, เอ้คุณเรียนมา่างไหนวะมันจริงๆอาจารย์มันมีตาําราตําราเขาเอามาจากบูตึ้งค่าจ้างค่าตําลาเนี่ยเป็นแสนแสน ครับที่พวกก็่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเนี่ยแล้วมาแปลภาษาไทยเฮ้ยเราอยากได้ตําราเนี่ยเอามาให้เราหน่อยดิเราอยากจะดูว่าเราผิดจริงกับเปเอ อ, อาจารย์อย่างนี้เลยผมเอาอาจารย์ผมมาเลยดีกว่าคนเนี้ยเขาจ้างอาจารย์จากบูตึ้งมาสอนแล้วก็คนนี้ก็ทําได้ทําได้เก่งกับผมเนี่ยเขาเหนือกับผมเีงเขาสามารถนั่งแล้วเนี่ยแล้วทําพลังลมฟานเนี่ย เขาสามารถลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปได้เลยลอยขึ้นไปได้เขาเรียกว่าวิชากําลังภายในอวิชากําลังภายในเขาลอยได้แต่ผมลอยไม่ได้ผมได้แต่ลําเป็นไถ่เก็กอ่ะแต่ของเขาเนี่ยสามารถเชี่ยวพลังลมปานแล้วสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าได้เนี่ยคนที่เกตกับผมเป็นแล้วเป็นคนที่แปลต้งสือนี่มาแล้วเป็นคนที่เอาจ้างอาจารย์จากบูตึ้งมาสอน ปราอาจาร์จับบูตึงเ่ยนี่เป็นเปิดปรามาจารย์แท้ๆเลยจากบูตึงเออยังงั้นเอามาเอามาอามาหาเราสิเราก็อยากจะรู้ว่ามันผิดหรือถูกจะได้รู้กันแล้วเจ้ากอ็อยู่อยู่ด้วยนะอยู่ฟังด้วยตอนพอก็มาเสร็จแล้วเราก็เล่าให้ฟังอาจารย์แล้วก็เนี่ยลูกศิษย์เราก็เลาใ้ฟังว่าของเราเนี่ยหายใจออกท้องแฟดหายใจเข้าท้องคองแต่ของเขาเนี่ยมันคือหายใจออกท้องคองหายใจเข้าท้องแฟบเขาบอกว่าของเราเนี่ยผิด เขบอกเออมันผิดเขบอว่าดูสิเราว่าไงไลยถามอาจารย์ถามคนที่เก่งกว่าเขาเนี่ยเขบอกว่าอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวกับท้องฟองท้องแฟบเลยมันเกี่ยวกับจิตที่เป็นสมาธิไอ้ท้องฟองท้องแฟบมันเป็นเครื่องล่อเฉยอ้าตายเป็นอีกแบบไปอีกเหรอมันจะท้องฟองก็ได้ท้องแฟบหายใจเข้าท้องฟองหายใจเข้าท้องแฝดประมือนกันได้ท้านอาจารย์มันเป็นมันเป็นเครื่องล่อจิตไว้มันไอ้ที่ที่อํานาจ ที่มันขึ้นไปได้เนี่ยเพราะจิตมันเป็นสมาธิจิตมันเป็นสมาธิแล้วเขาสามารถขึ้นไปได้หมุนขึ้นไปได้เลยหมุนขึ้นไปเนี่ยหมุนสว่านเกี่ยวขึ้นไปได้แต่ก็บอกว่าเขายังฝึกไม่ถึงขั้นถ้าถึงขั้นสูงสุดเนี่ยเขาต้องได้ฌานแต่เขายังเข้าฌานไม่ได้เขาจะมาเรียนกับเราอ้าวเฮ้ยเขาทำไมกลายเป็นเป็นอย่างนี้ไปวะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับทอ้องฟท้องแ ฟ, ฟ๊บเลยอาจารย์มันต้องถึงระดับได้ฌาน เออเพราะว่าจ <necessary. S 2> ิตมันต้องเป็นสมาธิถึงขั้นฌานนู่นเมันถึงจะมีอํานาจเพราะว่าอิทธิฤทธิทั้งหมดมันอยู่ที่ฌานเข้าฌานสี่ได้แล้วถอยกลับมาอยู่ที่ฌานสองคือปิติแล้วทรงอารมณ์ปิติได้แล้วก็อธิษฐานจิตในปิติที่เอาอธิษฐานอะไรสาเร็จมันบอกว่าที่เราอธิษฐานอะไรสาเร็จมันอยู่ที่ฌานไม่ได้อยู่ที่พลังลมปานอย่างเดียวพลังลมปราณเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ตัวอธิษฐานจิตเราสําเร็จคือฌานที่มันมาอธิษฐานจิตในฌาน คือเข้าถึงฌานสี่วิตกวิจาร์ดับไปเกิดปิติปิติดับไปเกิดสุสุดับไปเกิดอุเบกขาเข้าถึงฌานสี่แล้วถอยจิตออกมาอยู่ฌานที่สองเพราะว่าฌานที่สี่กับฌานที่สามมานิฐานจิตไปได้มันเป็นฉัดมันเป็นเวลามันเป็นมันเป็นพักการพักจิตที่ลึกมันต้องมาที่ฐานจิตในปิติสุสุสาซาซาลาทิฐานในปิติบอกว่าที่ราทิฐานเนี่ยที่มานิฐานในสําเร็จมันอยู่ที่ฌานนี่เองมันไม่ได้ว่าไอตัวพลังลมพานกับไอไอตัวสมาธิเป็นตัวประกอบ คือพลังลมปราบเป็นตัวขับเคลื่อนมันทําให้มันไปได้ยิงไปได้มีกําลังสูงเหมือนใ้ที่ดููยิงเนี่ยจะเกิดสงครามโลกจริงจมันยิงขีปนาวุธข้ามความตระเได้คือพลังลมปราบมันทําให้ขีปนาวุธเนี่ยมันยิงข้ามไปได้ไกลมากถ้าไม่มีพลังลมปราเนี่ยแม้แต่้จิ๊มันเป็นชานมีฤทธิ์ถึงขั้นระเบิดนิวเคลียร์แต่มันไม่มีพลังลมปราบที่จะขับเคลื่อนเลยขีปนาวุธเนีมันยิงข้ามทวีปไปได้ ถึงแม้มันจะมีหัวลบนิวเคลียร์มันก็ไปไม่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีพลังล้มพานแรงขับเคลื่อนขี่อาวุธยิงข้ามทวีปไปได้ไอ้พลังล้มพานเหมือนกําลังที่มันจะขับเคลื่อนแต่ไอ้อํานาจของฌานที่ฐานจิตในชามันเหมือนนอเนี่ยมันเหมือนกับไประเบิดนิวเคลียร์ที่มันอูมแล้วไมได้ผลแต่ถ้ายิ่งผู้อธิษฐานเป็นพระอาหารหันต์ด้วยสิ้นกิเลสด้วยโอ้โหอันนั้นนะรวมเป็นหนึ่งแล้วอันเนี้ยสมบูรณ์ที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต ว่าอะไรผู้ที่ปฏิตสานั้นหมดกิเลสแล้วไม่มีกิเลสอะไรเลยตอนนี้จิตเหมือนดัง่งมีอํานาจเหมือนดั่งพระอาทิตย์ที่ไม่มีเมฆกั้บังทั้งฌานด้วยตั้งมีฌานด้วยมีฤทธิ์ด้วยมีมีพลังลมปานได้ด้วยแล้วก็พละงหา้าอินทีห้ามือท่านใช้ด้วยอํานาจเต็มที่คือท่านเป็นอาหารหันต์ด้วยอํานาจสิ้นใจคือศรัทธาก็เต็มร้อยวิริยะท่านก็ไม่ต้องใช้กําลังมากแล้วเพราะไอ้ความเปี่ยนธรรมะเต็มที่ส ต, ติสมาธิปัญญาก็ไม่ต้อ้กำลังมากเพราะมันรวมเป็นหนึ่งเดียวปัจจัยของท่านอยู่แนละ้ว สัทพาแล้ก็เต็มลอยอยู่แล้วเวลาที่ฐานตูมเดียวก็เร็วมากเลยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ ว, ล ว, วนั่นแหละวิชาพวกนี้เอาไปใช้ประโยชน์กัน